ยังไม่มีใครได้ใช้จึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้ทรงใช้ก่อนพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพแล้วเสด็จไปเมื่อเขากราบทูลเวลาเมื่อเสด็จถึงจึงประทับ พ, พิงเสากลางภิกษุสงนั่งพิงฝาด้านตะวันตกเจ้าสักยะชาวกรุงกบิลพัสน์ทรงพิงฝาด้านตะวันออก